ปาติเทสนิยสิกขาบทที่เจ็ดถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาติเทสนิยะแก่ภิกษุณีผู้ออกปากขอนมสดมาฉันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปลารบพวกภิกษุณีฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพักขีออกปากขอนมสดมาฉันในปาติเทศนิยสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐานและ